ฟังจำเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติธรรมที่เราได้ทำอยู่เราได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราได้ทำเราได้ทำในสิ่งที่เราได้ยินเรียกว่าส่วนประกอบก็จะเป็นบ้างไม่ต้องไปสุง ไม่ต้องไปใช้เวลากับเหตุปัจจัยอาการต่างเพื่อให้สะดวกในการศึกษาปฏิบัติโดยเพราะการปฏิบัติถ้าเราไม่จับเกณมันก็มากเรื่องอะไรต่างๆมากมายเข้าไ่ถึงเนื้อถึงตัวมัวเตอไปข่อง ติดอะไรอยู่เยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเราความจัดเกนในการกระทามันก็สะดวกมันก็ย่อย่อให้น้อยลงชีวิตของเราถ้าว่ามากก็มากถ้าเป็นกินเลสตัณหาก็แปด0มื่นกิเลส1ันห้าตัณหาร้อยแปดแต่เป็นเรื่องกายเรื่องใจมีอะไรเยอะแยะ แต่ถ้าเรามาย่อให้น้อยลงเยงกับมือเดียวมันกับพระสาวกวังโลกย่อโลกมาอยู่ในฝ่ามือของตัวเองหรือพระสาวกวังโลกพอเขามาบวดแล้วมาศึกษาเรื่องกธรทำเวไนยอะไรๆก็ไม่แต่ผิดแต่ผิดหมดั้งศีลก็สองรอยยี่สิบเกด วินใยอะไรต่างๆมากมายพอไปศึกษาแล้วโอ้มันมากขนาดนี้ทำไม่ไวหวดอกเลยหมดศรัทธายากเกิดสุขาลาพีก็ไปกราบพระพุทธเจ้าหลาสึกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทำไมจึงสึกเพราะว่ามันยากเกิเกินมากมายไม่แต่ผิด ทาตาทางหูจมูกลิ้นกายใจลูกรถกลิ่นเสียงทําอะไรไม่ได้มันมีแต่ความผิดพอจะเป็นบาปพระพุทธเจ้าก็ทํำ ม, มากเกินไปก็เอา น, อน้อยก็ได้เลยเอาน้อยก็เอาเท่านี้บอกว่าให้ปกติให้ทําใจให้ปกติถ้าทําจิตใจให้ปกติก็เลยเออถ้าอย่างนี้ได้อยู่ได้อยู่ถ้าทํำอย่างนี้ได้อยู่ ก็ไปทำไปปฏิบัติทำใจให้ปกติปกติี่สุดก็ได้บรรลุพระรหันตผลแต่มันทำน้อยๆการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันต้องมาสร้างสติเนี่ยกายมันก็มีและเอากายมาสร้างมันก็ปวดขาปวดแขนเรื่องของกายก็มีเยอะแยะไปหมดเลยทัา น, นก็จะไปพองไปติดมัน ตัดไปเลยเห็นกายสภาวากายนะมันแสดงอาการต่างๆแต่มีเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของมันล้วก็รู้เลยไปสร้างความรู้สากตัวเลื่อยไปเรื่องของความคิดจิตใจก็มีเยอะวิ่งไปหน้าวิ่งไปหลังเรื่องอะไรต่างๆ ความพอใจความไม่พอใจความหลงความผิดความถูกความผิดความสุขความทุกข์แก้ความผิดจะเอาความถูกว่ามันถูกไม่อยากให้มันผิดปลัวความทุกข์สร้างความสุขความทุกข์วิ่งไหลความสุขวิ่งนี้คนนั่นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แสงแดดละอองฝนยุง แรงอะไรต่างๆโอ้ความกว่ากันนั่นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเรามองไม่เป็นถ้าเรามองไม่เป็นก็เป็นเรื่องใหญ่จำพูกเรื่องคนเรื่องความเป็นอยู่ร่วมกันขัด อ, อกขาดใจไม่ชอบกันนั่นชอบคนนี่ไปเฉลี่ะเป็นโกกเป็นเหล่าเป็นพิธีมานาเกิดขึ้นเป็นไปได้ถ้าเรา ไม่รู้แต่ถ้าเรารู้แล้วตัดเข้ามามารู้สึกตัวอะไรมันผิด ก, ก็รู้สึกตัวมันถูกก็รู้สึกตัวความรู้สึกตัวอยู่ที่ใดใช่มันใช่ความรู้สึกตัวอยู่ที่กายก็ใช่กายให้มันเกิดความรู้สึกตัวแต่ความรู้สึกตัวเราใช่ใจก็ใช้จิตใจให้เกิดความรู้สึกตัวมันจะเกิดอะไรมันยื่นมากวาตาหูจมูกลิ้นตาย รู้สึกตัวที่ลมหายใจก็รู้สึกตัวอวิธเราทั้งหมดไม่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่มีอะไรแล้วรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเอาไปมามีแต่ตัวรู้ไม่มีอะไรใช่ไม่มีอะไรประกอบก็มีแต่พวงโล่เอามันปานนั่นแหละให้มันทุ่มเทสักหน่อยไม่ใช่หยอกเกะ มันเราทํางานจับด้ัมจอบดัมเสียมจับสองนิ้วสามนิ้วพอเหนื่อยเก็บมือทําไปก็มาดูมือตัวเองโอ้ยมืออย่างนั้นมือนี่ฮมันหยาบๆเยอะๆแต่จับมันสิบนิ้วจริงๆใส่ห้านิ้วขวาห้านิ้วกําลงไปแน่นๆจับแน่นๆถ้าจับแน่นมันไม่เก็บมันไม่บวมมันไม่แตก จับเดาจ่อเกียมันฟัดมันกระทบมันตกตกเตกดเมันไม่แน่นวันเราถอนยาแฝกถอนยาขาถ้าจับแน่นไม่เป็นไรถ้าจับไม่แน่นมันบาดมือถ้าหมดทิ่มลงไปทุ่มลงไปงานที่มันยากก็กลายเป็นเรื่องง่ายการปฏิบัติธรรมปรมันกันเข้าถึงตัวรู้เลย แต่ไปคึงลูกคึงหลงถ้าคึงลูกคึงหลงมันมยากถ้าเข้าไปถึงความรู้จริงๆมันไม่ยากพรมันก็มีมันเป็นความถูกต้องที่สุดความถูกต้องมันไม่ยากความไม่ถูกต้องนั่นแหละมันยากแล้วความถูกต้องเราก็สร้างเอาสร้างเอาประกอบเอาพอเรามาสร้างความรู้ถ้ามมีความรู้ มันมีอะไรก็เปลี่ยนเป็นตัวลูกทั้งหมดเลยมันจะไม่ไม่ลูก็เปลี่ยนเป็นตัวลูกมันจะไม่ผิดก็เปลี่ยนเป็นตัวลูกมันจะไม่ถูกก็เปลี่ยนเป็นตัวลูกตัวโลกน่มก็ไม่ได้เป็นตัวผิดไม่ได้เป็นตัวถูกไม่ได้เป็นตัวสุขไม่ได้เป็นตัวทุกตัวรูกมันคือตัวลูกเด็กคือภาวะที่ลูกสุดตัวนะครั แล้วความรู้สึกตัวก็สร้างได้จริงๆไปอยู่ตรงไหนก็คือความรู้สึกตัวมันไม่เหมือนอย่างอื่นศีลก็ไม่อยู่รักษากายวาจาใจาให้เรียบร้อยชื่อวา่าศีลบางทีมันจํากัดแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยครอบจั ก, กรวาลแสงแดดร้อนก็ารู้สึกตัวลมหนาวควรู้สึกตัว อะไรอะไรก็รู้สึกตัวไม่แต่ในฌานอากาสารัญญาจตนะอาจินจัญญาณะญาณสัญญาชนะเนวสัญญาญาสัญญาณเวทยิทธิ์นิโรธไม่มีตัวมีตนไม่มีอะไรก็มีความรู้สึกตัวมีสติแล้วเลยอยู่ปานนั่นนะพนาสติไม่บัศย์บัจจอะไรที่เราจะมาดูกายนี่ย ดูไปดูมามไม่ได้อยู่ตรงนม้นไม่ไอยู่ที่กิตใจไม่ได้อยู่ที่สุขททุกข์มันอยู่ของมันเองความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวตัวนี่แหละที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายในโรคปวดไหลปวดตัวมันก็เป็นอย่างนี้เราก็เห็นมันเห็นโลกเราจะพูดว่าเบทนาเขาศึกว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างนี้ อย่าไปหัวซามันพอเปิดกระกส่ายสารอย่าไปหัวซาอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันแต่ถ้าเราไม่จัดเก็บกับข้องยุ่งเกี่ยว <c oughs> เปิดปนฮ้องไปนิดหน่อยพอปวดกวเมื่อยพอเมื่อยพาให้เราผายแพทย์การงานต่างๆความร้อนความหนาวพาให้เราผายแพทย์ เราให้เป็นอุปสรรคแต่ถ้าเราจเจริญเฉยงไม่ไม่อุปสรรคผมปวดคุ้มมวยไม่มีอุปสรรคมมปเป็นฐานเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่เราจะต้องเห็นเห็นสิ่งที่มันข้องติดเราก็ผ่านได้มันติดตรงไหนก็ผ่านตรงนั้นการปฏิบัติธรรมนะ ไม่ใช่ให้มันติดอยู่มันเลี่งติดตังไปไม่ได้ตัวรู้จริงๆมันไม่ได้ติดพยายามให้ถึงเข้าถึงตัวรู้จริงๆเข้าถึงกลมจริงๆมีการกระทาจริงๆทำที่มันเกิดความรู้สึกตัวจริงๆอะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวเราจะเปลี่ยนให้เป็นความรู้สึกตัวทั้งหมด <c oughs> มันทาได้ จึงจะเป็นนักปฏิบัติจึงจะเป็นนักกรรมฐานจึงจะเป็นนักภาวนาจึงจะเป็นพระโยคาวาจอรผู้ที่ลุยผู้ที่ลุยชีวิตได้เหยียบย่มความโลภ ค, ความโกรธความหลงเหยียบย่มความเห็นแก่ตนแหลกลานไปเหยียบย่าสุขทุกข์แหลกลานไป เรียกว่าพยาโยขาวาจอดคือมันลอยได้ลอยมาแล้วเหมนรถวิบากมันลอยมาแล้วเพราะทำเพื่อใมันเกิดกา ร, รลอยนะไม่ใช่จะเหาะแยๆชีวิตของเราต้องใช่แต่ใช่ไม่ให้มันลอยมันก็อ่อนแอมันฝ่าเท้าเราใส่รองเท้าเดินไปไหน แต่ถ้าถอดลองเท่าลุยมันก็มันก็เจ่งได้มันก็เจ่งได้มันพัฒนาตัวมันเหมือนเด็กก่อนสองปวดสามปวดพัฒนาไปพัฒนาไปวันนี้พัฒนาได้อันนั้นวันนั่นพัฒนาได้อันนี้มันอยู่เร่งไม่เป็นไม่ใช่นอนแบกอยู่พอนอนไปมันพิษกล่องพอพิษกล่องมนก็ดิ้นดีดขาดีแขนมันพัฒนาตัวมัน นายอนน่นได้นี่ไลอยมาก็คานเยอจๆแก่ๆปวดอออแอ่เข้มือเข้เท้าเรียนแบบดูโน่นดูนี่ไปเอาอย่างโน่อนอย่างนี่ไปพ่อแม่ก็พ้ อ, อนโน่อ น, นอันนี้ให้กัแต่มาก็เดินได้วิ่งได้เออจับหลบลี่หนีพัยไปการพัฒนาชีวิตของเราเตัวสติตัวนี้ ความรู้สึกตัวเนี่ยมันได้บทเรียนจากกายจากใจเรานี่แหละมันไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนแม้แต่สิ่งเวทล้อมดีๆถ้าเราไม่ได้บทเรียนไม่เอาบทเรียนจากกายจากใจมันก็ยังไม่เก่งหรอกอาจจะยิ่งอ่อนแอเข้าไปละบางทีนักกรรมฐานไปเช่าบ้านป่าไม้อยู่ทนายอยู่วันละแปดร้อยก้รอยบาทไปเก็บอารมณ์ มันเมทองไปเรื่อยๆกันหลวงพ่อไปเห็นทะเลบรรจังหวัดสตตสูลโอพากันไปชาวบ้านป่าไม้อยู่พอมาเข้าอยู่ในเมืองอ่อนแอไปเรื่อยหนีเข้าป่าหนีเข้าธรรมหนีผู้หนีคนไม่ใช่เพราะมันไม่สู้ตรงนี้มันยอมตรงนี้ มันยอมเรื่องกายมันยอมเรื่องใจถ้ากายมันไม่เอาอะไรก็ไปกับมันถ้าใจมันไม่เอาอะไรก็ไปกับมันมันไม่สงบก็ไม่สงบกับมันมันพุ่งสร้างกัาพุ่งสร้างไปกับมันไม่ใช่นักปฏิบัตินักปฏิบัติต้องเปลี่ยนตรงไหนมันไม่สงบเราก็ทำให้มันสงบมันเกิดอยู่ที่ไหนดับมันอยู่ตรงนั้น ปัญหาอยู่ที่ไหนแก้ปัญหาที่นั่นเหมือนพระพุทธเจ้าโตดพระเหมนพาสกิโตด พ, พตระสาลิบุตรเยธรรมาเหตุกุกพภาวแต่สังเหตุตรงตถาคตโตดแต่สัญญายนิโรโทรจเอวังวาทีมหาสวนโนคนะเหตุเกิดอยู่ที่ใดดับที่ท่าน มันก็มีเท่านี้เพราะมันดีแล้วที่เราเห็นอาการต่างๆพวกเราก็มาบอกนะวันนี้เห็นโม่งมากวันนี้มันคิดนั่นแหละของจริงแล้วเห็นของจริงได้บทเรียดแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์นั่นแหละเห็นของจริงแล้วเกิดกิเลสตนะาาททันหาปัจจับาตถีธรรมิาักษามรรคานั่นแหละเห็นของจริงแล้ว มันก่อตัวขึ้นตรงนี้หรือมันลงพ่อไปอยู่กติสองคืนเนี่ยเพรอยากรู้ว่ามันมันสกปกกติมันมีอะไรมากองไว้พอดูแล้วมันคงจะเกิดสาเหตุจากมดุดมันขาบอะไรมาวางอะไรเพื่อนกติเตไมไปหมดตามโตตามอะไรนี่แต่ ผลไม่แต่คาบอะไรต่างๆก็อยากรู้ว่ามันอะไรก็เข้าไปเข้าไปดูเป็นนอนที่แรกก็นอนในห้องไม่ได้มันชอบที่จะหวาในห้องนั้นมืดๆไปนะอะไรนอนเข้านอน ก, ก็ค่อยไปดูบางคืนก็ค่อยไปเปิดดูพอไปดูข้าห้องยิงก็เห็นหมดมัน มันลงมาเป็นแถวมันคาบมันคาบว่ะขยะอะไรไม่รู้มาวางไว้ก็ขึ้นไปเป็นแถวโอ้ไอ้นี่ตัวนี้เหตุมันทําให้กติมันโลกลงหลงังมันตัวนี้เราอย่ามองไปป้ายทางมันอย่ามองไปป้ายตามทางมันก็หยุดก็ช่วยกระจายกันเลยพอถูกยาามองป้ายทางก็ช่วยกระจาย แต่สาโนโมกันไปคนละทิศละทางมันก็นเลิกกันึ้นที่สองเราไปดูมันก็ไม่มีนี่เ <c oughs> ย่ทํามเฮตุปปว่าอย่าไปโกรธไปโกรธพดโอ้ย โ, ยโวยวายอย่าไปโไวยวายนีแล้วเราจะได้เห็นของกิง ในตัวมันกันอะไรที่มันเกิดกับตัวเราอย่าเป็นคนโวยวายเอาผิดเอาถูกเป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องถูกเป็นเรื่องสุขเป็นเรื่องทุกข์เป็นเรื่องของอความยุ่งเหยิงคิดหน้าคิดหลังห่วงโน่นหวงนี้อันโน้นดีอันนี้ไม่ดีมันก็ไปทุนนองนนไปก็ไปไม่หลอดมีแต่ดีมีแต่ไม่ดีมีแต่ผิดมีแต่ถูกมีแต่สุขมีแต่ทุกข์ อันนั่นไปไม่ได้ยังไงหรอกแต่ถ้าว่าลอยมันเท่านอนเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เออเห็นมันดีเห็นมันไม่ดีเออไปแล้วกค่อยออกไปสักหน่อยแล้วเปิดหน้าต่างออกไปดูแล้วเปิดประตูออกไปดูแล้วเห็นตัวเองแล้วเห็นไปเห็นมามันก็แดงให้เราเหยื่อเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไ ป, ไ ป, ไป แล้วก็ดูมีสติเล้วพยายามาผามรู้สึกตัวสตินี่แก่กล้านะถ้าเป็นแล้วสติก็หลุดอ่อนมันกับขาดเสียแล้วมันกับยอดยอดผักยอดมะม่วงแล้วมันขาดอยู่เลยต่อยอดทีไรก็ขาดเลยต่อยอดทีไรก็ขาดเลย มันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดจอกออกผลได้เป็นสุขก็ขาดแล้วเป็นทุกข์ก็ขาดแล้วต้องเห็นมันถ้าเห็นนี่ยันแก่ก้าแล้วมันแก่ตรงนั้นมันแก่ภาวะที่เหตุนั่นแหละมันสุขเห็นมันสุขนั่นแหละแก่แล้วมันทุกข์เห็นมันทุกข์นั่นแหละแก่แล้วมันผิดเห็นมันผิดนั่นแหละแก่แล้ว มันโตกิดมันโตกตั้งแต่แกแล้วมันแก่ตรงนี้ไม่ใช่การเวลาที่ทําให้แก่มันเป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวกระทําที่มันเกิดปรากฏการที่มันเกิดการเห็นมันจะแกมันจะเก่งตรงนั้นตรงที่มันจะเก่งตรงที่มันจะเข้มแข็งเราไม่ไม่ใช่ไปทําอันอื่นซะไปรูปขับอันอื่นต้องมาเสริมตรงไหนจุดตอนอยู่ตรงไหนเสริมตรงนั้น วัาหน้ามันรั่วตรงไหนเยี่ยวยาตรงนั้น่าเยี่ยวยาก็ไม่ใช่รูปคำภาวะที่ปฏิบัติก็เหมือนกันไม่ใช่ไปอดไม่ใช่ไปทนความทนนเป็นเรื่องหนึ่งตังหาใครก็ทนได้แต่ยังไม่หมดกิเลสตัณหาเท่าไหรแต่ว่าความรู้สึกตัวเถิดพาให้ความทนยั่งยืน แต่ถ้าความทนที่ไม่มีความรู้สึกตัวมันเจ็บปวดเหมือนกันเวลามันโกรธก็อดเอาอดเอาเวลามันโกรธก็อดเอาอดเอาประมาณนั้นไม่ใช e ่ต้องรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวเพราะมั่วมีความรู้สึกตัวนะมันเกิดขึ้นมาเองความอดทนความละอายความเมตตาเวลามันเกิดขึ้นมาเอง วิธีปฏิบัตินียของจริงแท้ๆที่เรามาทำอยู่นะมันก็เปิดเปิดดูตัวเองเปิดเผยตัวเองความรู้สึกตัวพาให้เปิดออกความหลงตัวพาให้ปิดตัวเราเปิดให้มันเห็นตัวรู้สึกตัวเนี่ยสร้างไปสร้างไปมันเป็นตัวดูแล้วก็เป็นตัวรู้ที่เราสร้างขึ้น เอาไปภาวะที่รูปสึบตัวกายเป็นตัวดูเป็นตาไปเลยมาสวมมารับดวงตาเพื่อมาดูแลตัวเองดูแลมันก็มีการดูแลมันก็ต้องเป็นธรรมเมื่อมความเป็นธรร ม, มก็มีความเป็นกลางเป็นธรรมขึ้นมามันก็ถูกต้องเราได้ก็ได้หลักไม่มีอะไรที่จะถ้าจะเป็นวิเศษก็คือ วิเศษก็คือความรู้สึกตัวเป็นธรรมที่สุดให้เราสร้างว่าอย่าไปเอาอันอื่นอย่าไปให้อันอื่นเป็นใหญ่อย่าให้อันอื่นนำอันปวดวันก่อนบางทีความหลงมันนำบางทีความผิดมันนำความถูกมันนำแล้วแต่มันจะเป็นอย่างไรอ่า ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรไม่มีคำพูดแบบนี้หรอกนักปฏิบัติทำดูก่อนทาดูก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไงไม่มีคำพูดอย่างนง้นักปฏิบัติไม่แต่พูดว่าเราจะทำเราจะปฏิบัติเราจ ะ, าจะดูเราจะเห็นเราจะดูคําว่าไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไง แต่ไม่ไหมเขาว่าไม่ไหวก็วจะไม่ไหมเขาว่าแย่ก็จะไม่หมนั่นปฏิบัติคํานี้ไม่ได้ใช่เลยไม่แต่เห็นอไม่แต่อืมก็มว่าอืมนี่เป็นเป็นวิปัสสนาแต่ว่าโอ้ไม่ไหวนีไม่ใช่วิปัสสนา คนลโลกกันแล้วความคิดอันเดียวไปคนละทางถ้าอื่งเน่ยเห็นทุกข์ก็อเห็นสศกก็อึ่เห็นมันผิดก็อึ่อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดตัวเรานอกตัวเราก็ยังอื่เห็นคนแก่เห็นคนตายอึ่งนะไปดูคนตายสองวันก็อึ่ ก็ลองห่มรลองห้อเสียใจเป็นอย่างนี้เนาะอของจริงกป็นอ่นี้แต่คนไม่ยอมรับไม่ยอมรับของจริงไปตู่เอาจะไปตู่มันเอาไม่ได้แต่อืเขามาเออเนี่ยมันมันมีอะหลายหลายอย่างเป็นทาง โล่งแตเดินทางก็โล่งเกลียวไม่มีรถจะขับไปคนเดียวจริงๆรงว่าเออ ไ, ไปคนเดียวแต่ไม่ไหวแย่เลยเก็ดเป็นเช่นยังไงตายไปแล้วหล่ะหลก็แย่แล้วมืดเลยไม่มีทางเลยไม่พบทางเลยตันเลยบแบบ เมื่อแตดด้ไม่โล่งใจเออสร้างเอาเองเขาก็สร้างเอาเองเขาก็สร้างไม่ไหวเป็นครอบเป็นกรรมมาเลยเขาสร้างขึ้นมาครอบครอบไว้มันครอบครัวมาครัวมาสับมาสับสับให้เจ็บโหกให้เจ็บ คำว่าไม่ไหวเจ็บแล้วคำว่าแย่เจ็บแล้วครอบแล้วคำว่าเออไม่มีอะไรครอบได้ไม่เจ็บไม่ปวดโล่งไปเลวยเรีว่าปฏิบัติให้สิ่งเวทล้อมเจตัวเราสร้างสิ่งเวทล้อมช่วยตัวเรามันหลบปลูกพิษปลูกขับสร้างสิ่งเวทล้อม ลดน้ำใส่ปุย๋ยวันคนสะอาดยังลดน้ำ อ, อยู่มืดแล้วยังลดน้ำมันก็ดีนะลดน้าตอนเย็นมันชุม่มมันซึมซับดีมันไม่ละเหยลดน้ำตอนเช้าไหนก็ลดน้าตอนเย็นไปได้ลดน้ำตอนเช้ า, ด เ, ดนน เ, ชาเดี๋ยวมันเดาวก็นละเหยง่ายแสงแดดมันเผาชีวิตเราประมวลการการเจริญสถิตต้องสร้างสิ่งแวดลอ้อมให้เจริญลอม แม่สิ่งไว้ร่องไม่ดีเราก็สร้างเราสร้างมันดีเลยเพรความรูสมร้สึกตัวเป็นหลักความรู้เป็นสึกตัวเป็นหลักอย่าไปเอาอื่นเป็นหลักเอาตัวนี้เป็นหลักก่อนบุกเบิกไปก่อนมีการกระทําบุกเบกิกไปก่อนรู้ไปก่อนรู้ไปก่อนจะพิดจะโทกไม่เป็นไรหรอกรู้สึกตัวรู้สึกตัว ยกมือขึ้นรู้สึกตัวใช่ได้แล้วพลิกมือไปรู้สึกตัวใช่ได้แล้วหายใจเข้าหายใจออกใช่ได้แล้วเอาตรงนี้เป็นที่เริ่มต้นเห็นเวทนาต่อคือความรู้สึกตัวเห็นจิตความคิดก็คือความรู้สึกตัวเห็นอารมณ์เห็นธรรมที่เป็นกุศลอกุศลมันมีเหมือนกันนะเป็นกุศลก็โอ้ฉลาดมีความสุขเห็นอกุศลก็ทุกข์หลงงมงมายห่วงหน้าห่ว ง, ห, งหลัง หงอาห้านอนผงสานลังเลสงสัยคิดอดียี่สิบปีเอามาคิดสามสิบปีสิบสิบปีเอามาคิดเรียกว่าคิตแล้วเกิดพยาบาทคิดแล้วเกิดการมราหละครับมันจุ่มอะไรมามันฟื้นขึ้นมามันเอาไปรับเชื่อเชื่อกินเหล็ก มันคนสูบบุหรี่เชื่อดีโคตรีนแต่ว่านี่โคตรีนเนี่ยมันต้องไปสูบมันต้องไปสัมผัสแต่ว่ากิเลสเนี่ยมันไม่ได้สูบมันสัมผัสด้วยลำดับลานำําเพ่งแลงกามลาคะมานะทิดถิเพ่งแรงลู่สึกตัวลู่สึกตัวเข้ามาทางความลู่สึกตัวเห็นหนังเห็ น, เ, นเห็นกุศ เห็นอกุศลเห็นธรรมที่เป็นอกุศลอกุศลคือโลภะโทสะโมหะกุศลคืออะโลภะอะโทสะโมหะมันก็อยู่ด้วยกันนน่ยอโลภะอโทสะอะโมหะอะโลภะคือไม่โลภอะโทสะคือไม่โกรธอโมหะคือไม่หลงน้องก็บยางลบใช่ทันทีใช่ทันทีรู้สึกตัวรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวมันลบผิด อ, อ, ด อ, ร, อดรู้สึกตัวรู้สึกตัวใช่ไปเถอะมันจะฉลาดเองหรอยิ่งใช่ยิ่งฉลาดตำรวจสึบตัวรู้ไปรู้ไปรู้ไปเขาว่าเขารู้นะเขารูนะ้เนี่ยอาไว้ของเขาแต่ว่าเราจะรู้ของเราไปก่อน เราลูดตัวเดียวเนี่ยอาจะสะดวกกว่าคนที่ไปผมลูดลูดลูดน้ํำผมลูดประละมัดผมลูดสมมุติผมลูดวันหยัดผมลูดผมโกดผมหลงผมผมผมหมดไปแล้วอย่าไปอย่าให้หมูนั่นเด่นเรารูดสิบตัวแลวมันเด่นเลยเปล่าบางทีมันไปถึงที่จุดหมายปลายทางแต่มันค่อยลูดกันหลังก็มีเหมือนกันะลูดกันหลังก็มีเหมือนกัน โดไปแล้วโอ้ไม่แต่ผ่านมาผ่านมาผ่านมาแล้วเราจะแสดงธรรมก็เลยไม่ตัดรัดขัดกวามเพราะเราผ่านมาแล้วบางทีพอเราเห็นอะไรแบบโลดโลดเตะตื่นเต้นบางทีมันก็ไม่ไปนะมันอยู่ตรงนั้นไปเห็นสุขก็ติดอยู่กับสุขไปเห็นทุกข์ก็ติดอยู่กับความทุกข์ไปเห็นความผิดก็ติดอยู่ในความผิดไปเห็นความถูกก็ติดอยู่ในความถุก ถ้าเห็นมันก็ตกลติดแล้วถ้าเป็นมันก็ติดแล้วเป็นผู้รู้มันติดแล้วผมรู้บางทีมันก็ไม่แน่ม่แน่นก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นผู้รู้มันก็มีไม่รู้เป็นโค้กันถ้าเป็นผู้สจบมันก็มีทุกข์เป็นโค้กันถ้าเห็นมันรู้ไม่มีโค้กคีกแล้วถ้าเห็นมันจบไม่มีโค้กคีกแล้วไปเห็นมันทุกข์ก็ไม่มีโค้กหรอกคีกแล้ว นี่คือปฏิบัติพรมอาจารย์บริสุทธิ์ตรงนี้ถ้าเป็นแล้วไม่บริสุทธิ์ถ้าเห็นแล้วบริสุทธิ์นี่ตัวพร ม, มาจารย์ไม่ใช่ไปสํารวมหลับหูหลับตาอะไมันลูกคําเห็นเนี่ยบริสุทธิ์แล้วมันจะแสดงมาเห็นมันเนี่ยบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์ตรงนั้นเก่งตรงนั้นเจริญตรงนั้นพร ม, มาจารย์ จเจริญตรงนั้นที่สุดถึงพงศาจารย์ก็ไปเรื่อยๆไปถ้าเป็นแล้วไม่ได้ไปไหนนะมัอยู่ตรงนั้นแหละดีไม่ดีก็จมเลยนักปฏิบัติหลายชีวิตไปจมอยู่กับวงมโลูกไปจมอยู่กับวาม์จกใครพคดอะไรคิดไม่ได้อันเราก็เห็นดูไปในโลกนี่มันก็เป็นนะ โลกของเรานี่โลกภาวะที่ดูเนี่ยเป็นโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลโลกโลกภาวะที่เป็นเนี่ยแคบแทบนะะแคบแคบไปไปทันไหมตนเราจึงมาสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเพลิดเพลินในการทำำํากับอันถานเป็นงาน ที่ชอบเป็นการกระทาที่สูงสุดก็เป็นการศึกษากชั้นอุดมสมบูรณ์วันนี้เราก็เอาเท่านี้ก่อนประกาศข่าว้องกันอะหุตมะจัมโตะมาตพลา